อย่างร่างกายของเราบางคนเนี่ยนะทำทั้งบุญทําทั้งบาปมาส่วนทวารตาให้ดีเยี่ยมมองเห็นแต่สิ่งที่ดีดทวารหูถูกด่าทั้งวันอนี้นะบางคนทวารตาก็ดีทวารหูดีมากแต่ทวารกายเนี่ปวดนั่นแหะนะบางคนทวารกายเนี่ย ด, นนะยยดีแต่ทวารตาแหมเห็นแต่สิ่งที่เลวร้ายตลอดเวลาเนี่ย น, นะก็คือมันดีเป็นทวารทวารไปดีเป็น เป็นช่วงๆไปบางทีช่วงบนข้างบนของศรีระหณนะดีแต่ช่วงล่างไม่ดีบางคนช่วงล่างดีแต่ช่วงบนไม่ดีบางทีข้างซ้ายดีบางทีข้างขวาไม่ดีมันทํามาทั้งบุญทั้งบาปเวลากรำมันให้ผลมันก็แยกให้เหมันกันมันให้ถูกที่เมันกันมันให้ตามโอกาสตามจังหวะตามสถานที่แล้วพระองค์ก็สามารถจําเนกกรรมและผลของกรรมพระองค์คือว่าอะไรกรรมเหล่าใดควรละกรรมเหล่าใดควรเจริญเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มี ปัญญาหาที่สุดไม่ได้จำเนกเยกแยะ ก, กรรมในปัจจุบันที่จะให้ผลต่อต่อไปในอนาคตเพราะสัตว์ทั้งหลายควรจะทำอย่างไรจัดการประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจ ะ, ะเป็นผลที่ดีเยี่ยมอันนี้เป็นผลของการตรัสรู้ของพระองค์แม้แต่เรื่องกรรมเนี่ยนะโดยละเอียดเนี่ยนะกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมคือเจตนาใน ปาณาติบาตอะไรเป็นต้นแล้วมันให้ผลอย่างไรจําแนกแจกแจงรายละเอียดเนี่ยไม่ใช่วิสัยของบุคคลอื่นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ามีพระญาณคืออะไรฐานะอถฐานะเนี่ยนะฐานะฐานาฐาน า, น า, นานยานห น, นึ่งกรรมูปคยานญาณที่รู้กรรมแล้วก็รู้ผลของกรรมญาณที่รู้วิบากแห่งกรรมสมัทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและ ปัจจุบันกรรมที่ได้ทำมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจัดทำต่อต่อไปผลแห่งกรรมเนี่ยนะวิบากยานญาณที่ยังรู้วิบากที่เคยมีมาแล้วในอดีตวิบากที่กำลังได้รับในปัจจุบันและวิบากที่จะได้รับต่อไปในอนาคตและพฤติกรรมเหล่าใดวิบากเหล่าใดให้ผลถ้าทำอ่าชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าพฤติกรรมแบบนี้วิบากดีให้ผลหรือวิบากชั่ว ให้ผลแค่เรียกว่าแยกแยะจำแนกทั้งเหตดทั้งผลแค่เรียกว่าจำแนกทั้งเมล็ดพันธุ์และผลผลิตเมล็ดพันธุ์เมื่อเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเจริญงอกเงยได้เท่าใดผลผลิตเหล่าใดมาจากเมล็ดพันธุ์ชนิดใดเนี่ยนะเขาเรียกว่าแยกแยกเมล็ดพันธุ์ของที่เพาะปลูกมาแล้วให้ผลเป็นความหวานชื่นกับแยกแยะเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกไปแล้วให้ผลเป็นความ ขมขืนแล้วก็ความขมขืนเหล่านี้ย้อนกลับไปสาวหาเหตุหาผลจําเนกแจกแจงและพระองค์ก็มีใจกรุณาเมื่อพระองค์มีปัญญาวิจัยเลือกเฟ้นเห็นความจริงสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ก็บอกว่าสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรเจริญสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษเธอจงละสิ่งนี้เธอจงเจริญสิ่งนี้เธอจงปฏิบัติตามนี้อย่าปฏิบัติแบบนี้ เธอจงคิดแบบนี้เธออยาคิดแบบนี้เธอจงพูดแบบนี้เธออย่าพูดแบบนี้ถ้าพูดแบบนี้แล้วมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จำแนกแจกแจงไอ้การเนะแนวดังกล่าวเรียกว่าพระสูตรนะเน็แนวทั้งหลายเนี่ยที่บอกเหตุบอกคนบอกเหตุบอกคนถ้าบอกคนนี้เรียกชื่อสูตรนี้ไปบอกคนนั้นเรียกสูตรนั้นไปบอกคนโน้นเรียกว่าสูตรนั้นก็เป็นที่มาของพระตรีปิฎกเยอะแยะเลยก็คือพระองค์จัดแจงให้เราประสบพบเห็นแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กำจัดสิ่งที่เป็นพิษภัยและ ทุกโทษความที่พระองค์เนี่ยมีเมตตากรุณาหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขเมตตามากเท่าใดก็ทำให้พร่ำสอนมากเท่านั้นกรุณามากเท่าใดก็พร่ำสอนมากเท่านั้นก็เลยตามพร่ำสอนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขผลของเมตตาและกรุณาที่ทำให้พระองค์แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายเกิดมายุค ป, ปัจจุบันดันเข้าใจผิดเข้า เป็นภาระทำไมพระพุทธเจ้าสอนมาเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นภาระต้องตามเรียนหนูเป็นภาระในการแปลในการพิมพ์ในการอุย้ยมองเป็นภาระไปหมดแต่คนมีบุญทั้งหลายรู้พุทธคุณก็บอกบุญของเราทุกขั้นตอนก็ว่างั้นนะนะบุญของเราทุกรายละเอียดว่างั้นนะ การอ่านก็เป็นบุญการพิมพ์ก็เป็นบุญการสนับสนุนส่งเสริมก็เป็นบุญการปฏิบัติตามก็เป็นบุญใครที่บรรลุเข้าถึงผลอ น, นั้นดีอย่างเ ด, ดียวมีแต่เป็นบุญที่เขาคิดได้อย่างนั้นเพราะเขารู้คนของพระพุทธเจ้ามันบุคคลที่รู้คนของพระพุทธเจ้าจึงกราบไหว้บูชาแล ะ, ะนับถือพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าบุคคลที่ควรบูชาหาเสมอเหมือนกับ พระพุทธเจ้าไม่มีเพราะอะไรสิ่งใดเป็นพิษภัยและทุกโทษพระองค์ป้องกัน ร, รักษาห้ามปราบดูแลเราดีไม่มีใครตามดูแลเราดีถึงเรียกว่าตามรักษาใจให้เราเหมือนกับพระพุทธเจ้าตามรักษาผลประโยชน์ของเราทางกายวาจาและใจพระพุทธเจ้าจึงประทานทั้งโภกทระซับและอริยทรัพย์เราเชื่อไหมว่าถ้าเราทําบุญให้ทานเป็นพุทธบูชาเป็นต้นด้วยปัจจยัย4หรือด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่สมควรเนี่ยนะ คิดว่าชีวิตของเราในชาติต่อต่อไปเราจะเดือดร้อนไหมเราจะลำบากไหมจะเดือดร้อนเรื่องตัดใ จ, จสี่ไหมเนี่ยทำพุทธบูชามากเลยชาติหน้าโจนแน่นอนนะอย่างเงี้ยนั้นมีรอกเนี่ยนะมีแต่ความสุขสบายทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพบสบายทั้งในปัจจุบันและต่อๆไปการสร้างวิหารวิหารทานเป็นต้นก็ยังเป็นปัจจัยให้ได้อริยวิหารได้ที่พระวิหารได้พรหมวิหารเป็นต้นต่อๆไปใน อนาคตเนี่ยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้เรียกอะไรสร้างวัดนะมีวัดอยู่แล้วแต่เล่าให้ฟังว่าไอการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยถ้าทําเพื่อพุทธบูชาเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าโอวาทแนะนํนสาสั่งสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเป็นไปเพื่อความสุขอย่างแ น, น่นอนนี้ อ, อันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประทานพ่อข้ัพย์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราคิดดูนะคนที่ มีบุญเนี่ยนะสังเกตว่าคนที่มีบุญสมัยพุทธกาลก็ตามยุคหลังๆก็ตามถ้าเข้าระลึกชาติได้นะส่วนใหญ่บุคคลเหล่านั้นทําบุญเป็นพุทธบูชามาซะโดยมากโดยมากเป็นอย่างนั้นเช่นอ่ะ น, นะพระอสีติมหาสาวกท่านเคยทําบุญในพระพุทธเจ้าองค์โน้นทําบุญมาจากพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยนะเช่นอะไรนะโชติยะหรือโชติกะเศรษฐีร่ํารวยมหาสารพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาพระราชาทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาอ่าที่ มีผู้ใดกล่าวถึงชาติกําเนิดในอดีตของเขาเนี่ยเขาทําบุญอะไรมาเขาจึงได้รับสมบัติเช่นนั้นเช่นนั้นบุคคลเหล่านั้นโดยมากทําบุญเป็นพุทธบูชาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆที่เคยมีมาแล้วในอดีตการ น, น, นี่ขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่ทําบุญเป็นพุทธบูชาในพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ปัจจุบันและจะมีวิบากเช่นไรต่อไปใน อนาคตเนี่ยนะพอถึงศาสนาพระีอริยะเมตยัยก็คงยกเอาเรื่องราวของบุคคลต่างๆาไงอุบาสิกาท่านนี้อุบาสกท่านนั้นอุบาสกเรื่องไงบ้างเรื่องอุบาสกเรื่องได้ทําเหตุเช่นนี้ได้มีวิบากเช่นนั้นเนี่ยนะเอาเอาตรงพลมูล น, นะอย่างอื่นเนีเอาหให้พระองค์พยากรณ์เรื่องแถวนี้นี่บ้ามันก็ทําเหตุในพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วมีวิบากอย่างไรต่อไปในพระพุทธเจ้าองค์อย่างไรต่อไปใน อนาคตรพระพุทธศาสนากล่าวถึงเหตุและผลอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลซึ่งมันเชื่อมโยงกันโดยความเป็นเหตุเป็นผลมันเป็นกระสากระเสแห่งกรรมเนี่ยนะที่ไหลมาจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้บางคนว่าเอ๊ะกรรมในอดีตมันมาให้ผลในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันให้ผลในอนาคตทําครั้งเดียวรับผลครั้งเดียวทําครั้งเดียวรับผลครั้งเดียวแค่นี้อย่างไรหรือใน อนาคตบอกไม่กรแสกรรมและผลของกรรมทวารตาก็แยกนี่เองนะกรแสกรรมและผลของกรรมทวารหูกรแสกรรมและผลของกรรมทวารจมูกกรแสกรรมและผลของกรรมทวารลิ้นกระแสแห่งกรรมและผลของกรรมในทวารกายและทวารใจกายกรรมเมจีกกรรมมโนกรรมที่ไหลมาจากทวารตากายกรรมเมจีกกรรมมโนกรรมที่ไหลมาจากทวารหูที่ไหลมาจากทวารจมูกไหลมาจากทวารลิ้นทวารกายและ ทวารใจแล้วมาจําแนกเป็นเจตนาต่างๆเป็นเจตนาประกอบเจือด้วยราคะบ้างเจตนาเจือด้วยโทสะบ้างเจตนาที่เจือด้วยโมหะบ้างเจตนาที่เจือด้วยอะโลพะอะโทสะและอโมหะบ้างมีฉันท์าเป็นอธิบดีบ้างมีวิริยะเป็นอธิบดีบ้างมีจิตเป็นอธิบดีบ้า ง, ม, างมีปัญญาเป็นอธิบดีบ้างเนี่ยนะเป็นอะสังขาริกบ้างเป็นสังขาริกบ้าง ทำเพราะถูกอ่าเพราะตัวเองกระตุ้นเตือนตัวเองหรือถูกคนอื่นกระตุ้นเตือนมาทำคิดเพราะอยากทำเองหรือเพราะได้รับการชักชวนมาทำเพราะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นบลมบ้งไม่รู้บ้างทีนี้กรรมมันวิจิตแล้ววั น, ว, นวันหนึ่งเราทำกรรมเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งกระตื่นจนหลับนะฝันอีกยังทำกรรมต่อในความฝันตื่นมาทำกรรมแล้วก็ฝันไปทำกรรมต่อไปแล้วที่สุดแห่งผลของกรรมอยู่ที่ไหน ถ้าหากว่าไม่มีผู้จําแนกแยกแยะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลดีเช่นกับพระพุทธเจ้ารู้ไหมว่าเราจะเจริญอย่างไรกายกรรมวจีกรรมบางคนก็บอกโอ้โยปานาติปาตาเว ร, รมณีสมาทานอย่างนี้เฉยแหลกเหมืนกันใครก็รู้ทั้งนั้นอ่ะเกิดมาเด็กในท้องก็แทบจะภาวะถูกภาวะอยู่แลวว้วเหมือนกันบอกไม่หรอกพระพุทธเจ้ า, าบอกว่าเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละ ทุกครั้งที่เราสมาทานว่าขอสมาทานศิขาบทคือเจตนาเว้นจากการฆ่าเวเจตนาเว้นจากการลักเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในการมอันนั้นเนี่ยเป็นการเจริญสัมมากัมมันตะเนี่ยนะเป็นการเจริญสัมมากัมมันตะแล้ววันหนึ่งเราเจริญสัมมากัมมันตะแค่ไหนหลายคนแม้ชอบเหลือเกินบอกมันต้องสัมมาสติสติประธานอย่างเดียวเหมือนกันนะหรือสัมมาทิฏวิปัสนาอย่างเดียวบอกมันก็ไม่ผิดแต่มันถูกไม่หมด นะมันไม่ผิดมันถูกไม่หมด37ข้อชมเชย อ, อยู่45หข้อเนี่ยนะที่จริงเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิรู้อะไรเมื่อกี้เราสวดมรรคใช่ไหมพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธธก็คือตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ที่พระองค์ปฏิบัติเองแล้วก็สามารถตรัสรู้เพราะพระองค์สั่งสมบูรณ์มาดีขณะเดียวกันพระองค์ก็มาสอนสัตว์ทั้งหลายให้เจริญมรรค การพูดถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ควรจะพูดครบทั้ง8องค์และแต่ละองค์มีรายละเอียดอย่างไรก็พูดให้มันเต็มตามนั้นไม่ใช่หยิบบางส่วนขึ้นมาแล้วเพื่อปฏิเสธอีกหลายส่วนหรือเอาส่วนนี้แล้วตำหนิส่วนนั้นซึ่งซึ่ ง, งทั้งหมดนั้นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตาซ้ายสวยตาขวานี่ทำไมไม่สวยเอาตาขวาออกหร มันลำคาญแบบนั้นนะะหูซ้ายก็ดีแต่หูขวาทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นว่าแต่งไปแต่งมาอย่างนี้เป็นผลดีต่อร่างกายไหมเอ๊ะจมูกนี่เป็นส่วนเกินมั้งมันยื่นไปข้างหน้าไปหน่อยเนี่ยนะมันกายนี่มันสูงไปไหนเอาหัวออกไปเธอเนี่ยนะเอ๊ะข้างขวานี่มันเกะกะเอาออกเนี่ยนะช่วงท้องเนี่ยมันหนักหน้าดูเลยควานออกเธออะไรงี้ยนะคนที่มีความคิดแบบนี้ก็มองอะไรไม่ครบองค์ประกอบการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดก็ต้องเจริญมี องค์ประกอบไม่ใช่ชื่นชมสัมมาสติจนทำลายองค์มรรคอื่นหรือชื่นชมสัมมาทิฏฐิคือปัญญาจนทำลายองค์มรรคอื่นนั้นผู้ที่สมาทานที่จะศึกษาปฏิบัติตามคำสอนต้องยกย่องชมเชยสรรเสริญองค์มรรคทุกข้อสมาทานศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาขึ้นต้นด้วยศีละวิสุทธิหมายถึงอะไรสีละวิสุทธิสัมมา กัมมันตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็อยู่ในขาดมรักษแปดขาดมรักเหล่านี้ได้ไหมขาดองค์มรักซึ่งเป็นทางเพื่อบรรลุมรลนิพานทั้งหลายเหล่านี้ได้ไหมมันถ้าผู้ใดปฏิเสธศีลก็เท่ากับปฏิเสธการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าปฏิเสธสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เท่ากับปฏิเสธมัชฌิมาปฏิปทาก็เท่ากับปฏิเสธ สว่าขาโตพระควะตาธรรมโมและปฏิเสธสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆปฏิเสธพระรัตนไตราเลยถ้าปฏิเสธองค์มัดใดองค์มัดหนึ่งเท่ากับปฏิเสธพระรัตนไตราบางส่วนหนักๆปฏิเสธไปปฏิเสธมาภาษาสนามไม่เหลือในใจของบุคคลนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องมาระวังให้ดีๆว่าเรายัางเจริญครบตามนั้นทั้งหมดไหมเมื่อกี้สวนบอกซ้ำมาที่ที่รู้อะไรรู้ว่อริยสัจสี่ ต้องสมาทานมาเจริญปัญญาเพื่อให้รู้อริยสัจสี่ไม่ใช่เจริญปัญญาเพื่อรู้อันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้มันต้องรู้ครบทั้ง4ี่นั่นแหละกุศลสังกปะก็ต้องเอาให้ครบทั้งสาทั้งสัมมาเนคขัมมะสังกปะอัพยาบาทสังกปะและอะวิหิงสาสังกปะก็ต้องเอาให้ครบทั้งสสัมมาวาสัมมาวาจา ก, ก็ต้องเว้นจากวาจีทุจริตทั้ง4ี่ เว้นจากเจตนาในมุสาวาทเว้นจากเจตนาในปิสุนาวาจาส่อเสียดเว้นจากเจตนาในพุสวาจาคือคําหยาบเว้นจากเจตนาในสัมผัสปลาปักนี่นะต้องมีสี่ส ม, มากมันตะต้องเว้นจากเจตนาในปานาติบาตนี่นะเห็นชีวิตดินรียของผู้อื่นด้วยเมตตาเนี่ยนะเว้นจากเจตนาใน ปาณาติบาตในอทินนาฐานเห็นทรัพย์ของผู้อื่นเช่นกับทรัพย์ของตนแล้วก็เห็นบุตรภริยาของผู้อื่นก็เหมือนกับของตนนั่นแหละเนี่ยนะเ น, นี่ยสำหรับวินยูชนทั้งหลายนะพาลชนเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะเพราะภาลชนทั้งหลายก็เยี่ยงสัตว์นั่นแหละไม่ได้เสียเกียงว่าพ่อกับแม่ลูกกับพ่ออะไรเป็นตน้นพวกนี้ไม่เกียงซึ่งเดราชานวิสัยของเดราชานเป็นอย่างนั้นบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นไม่เป็นประมาณณนะที่นี้ไม่จําเป็นต้องเอามาพูดเนี่ยนะ นี่สัมมากรรมตะเนี่เท่าไหร่ 3. ส, สัมมาอาชีวะล่ะล ะ, ละอาชีพที่ทุจริตประกอบอยู่ในสัมมาอาชีพรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพเยอะแยะเลยแล้วก็สัมมาวายามะคือสัมมาประธานสี่สัมมาสติสติประธานสีสัมมาสมาธิเกี่ยวกับฌานสี่ที่เป็นไปทั้งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตัวเลขเหล่านี้มาบวกกันเท่ากับเท่าไหร่ สัมมาทิฏฐิสี่สัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจา4ีสัมมาอะไรนกมันตะสามสัมมาอาชีวะเนี่ยก็คือเว้นจากกายทุจริีสามวจีทุจริี4ี่บวกกับไม่ประกอบอาชีพที่ผิดที่พี่มีโทษอ่ะนะบวกกันก็เป็น8ดถ้าว่าสัมมาอาชีวะ8สัมมาวายมะสัมมาประานสี่สัมมาสติสติประทาน4สัมมาสมาธิ ฌานสี่เอาตัวเลขเหล่านี้มาบวกเข้าไปสิถ้าไม่เป็นไปตามนั้นบรรลุทำไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่มัชชิมาปฏิปทา